สุนวัค 2 และ 131 ถึง 140 สิกขาบท 6 ว่าด้วยการปรนิบัติเรื่องภิกษุณีอดีตปัญญามหาอัมมาตสมัย อดีตปัญญาของท่านอยู่ในสำนักภิกษุณี บัดนี้เพียงเท่านี้ก็ทนไม่ได้จึงครอบขันน้ําลงบริจิษะแล้วใช้พัดตีบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณาม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรง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 นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายอย 5 อย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าน้ํา ที่ชื่อว่าการพัดขุยได้แก่ภัจชนิตัยชนิดหนึ่งคํา อุปสัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันปรนิบัติอยู่ อนุปัสสัมปันภิกษุณี 6 หนึ่งละสุนวกสิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการขอข้าวเปลือกดิบเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัย แม่เจ้าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งบ้างแล้วปล่อยไปครั้นกลับถึงสำนักไป ลมดับนั้นพระผู้มีพระ <t>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 สิกขาบทวิภังคําว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระ คำว่าออกปากขอคือออกปากขอเองว่าออกปากขอคือออกปากขอ ฉันต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำเกลือ 1 ภิกษุณีออกปากขอเหามาฉันเพราะเหตุผล 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีวิคนจริต 4 ภิกษุณีต้น 7 จบ 1 ละสุนวะก ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝาเรื่องพราหมณ์คน ภิกษุณีรูปหนึ่งถ่ายอุจาระลงในหม้อแล้วเททิ้งภายนอกฝา เฮทัยท่านจึงถือคบเพลิงไปสํานักภิสุนี อุบาสกนั้นกลับเข้าไปสํานัก ลำดับนั้นพระผู้มีพระว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเทหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ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 คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณี ที่ชื่อว่าของเป็นเดนตรัสหมายถึงอามิที่เป็นเดนกระดูกเป็นเดน คำว่าเทคือเทคือใช้ผู้อื่นให้เทต้องอาบัติทุกกฏผู้ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี สิกขาบทที่ 8 จบ 1 ละสุนวะสิกขาบท 9, 9. ว่าด้วยการทิ้งอุจาระเป็นต้นภายนอกกำแพง พวกพริสุนิเทบอุ ram ปัißวะบ้าง ของเป็นเดนบ้างทิ้งลงในหน้าเข้าเหนียวของพรามนันปรามตำนิดพรนาธรรร到นาวะช統 Flow 07 เฉยครั้งหายพริสุนิทั้งหลายได้ยินพรามนั้นตำนิดพรนาธรร para บรุณธนา ลงบนของเขียวเราบนของเขียวเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้น ลงบนของเขียวจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้นี้ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอ ที่ชื่อว่าของเขียวแลแก่ปุพพัณณชาติอปรณชาติที่เขาปลูกไว้คือเทเองต้องอาบัติปาจิตติคําว่าใช้ให้เทแต่เทหลายครั้งภิกษุณีผู้สั่ง ของเขียวภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของเขียวเถหรือใช่เฮทต้องอาบัติปาจิตตีของเขียวภิกษุณีไม่แน่ใจเถหรือใช่เฮทต้อง ไม่ใช่ของเขียวภิกษุณีไม่แน่ใจเถรหรือใช่ให้เถรต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ของเขียวภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ สิกขาบท 9 จบ 1 และสุนนวกสิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการดูการขัดร้องฟ้อนรำ พวกชาวบ้านจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าไฉนพวก ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องจริงหรือ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 พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดไปดูการฟ้อนรำการขับร้องหรือการประคมดนตรีต้องอาบัติเรื่องภิกษุณีฉัพพคีจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่ นี้ที่พระผู้ที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าว่าการประคมดนตรีได้แก่การประคมดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งโบท พ้นสายตาไปแล้วกลับแล 2 ภิกษุณียืนนั่ง 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีมี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท กะระวักหมวดว่าด้วยความมืดสิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการสนทนากับ เดินทางจากหมู่บ้าน ครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปว่าภิกษุทั้งว่าภิกษุณี ภิกษุทั้งหลาย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณี 2 ต่อ 2 กับชายในเวลาค่ําคืนไม่ นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ แต่เป็นมนุษย์ผู้ชาย 2 2 คือชายและภิกษุณี ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัติทุกกฎยืนเคียงคู่กัน ฌานภิกษุณีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น 4 ภิกษุณีวิกคนจริต 5 ภิกษุณีต้นบัญญัติ 1 จบ 2 2 ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กัมบังเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานี สมัยนั้นนั้นชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระพัทธกาภิลานีเดินทางมาจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างลำดับนั้น สนทนา 2 ต่อ 2 กับชายในเวลาค่ําคืนไม่มี 2 ต่อ 2 กับชายในโอกาสที่กําบัง พวกภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุ ภิกษุณีใดหรือสนทนากัน 2 ต่อ 2 กับชายในเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีจบสิกขาบทวิภังคำว่า นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้โอกาจชื่อว่าที่กำบังได้แก่ที่กำบังม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อ คือโดยความเป็นอันเดียว 2 ต่อ 2 คือชายและภิกษุณีคำว่ายืน ต้องอาบัติทุกกฏอนาปัตติ 1 ภิกษุณีหนึ่งที่รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อน 2 ภิกษุณีผู้ไม่ 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีวิกลจริต 5 3 อันธการวรรค 3 ว่าด้วยเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค เดินทางจากหมู่บ้านพิครู 2 ต่อ 2 กับชาย 2 ต่อ 2 กับชาย ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุ 2 ต่อ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า พระบัญญัติก็ 2 ต่อ 2 กับชายในที่แจ้งต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินี นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาม่านต้นเสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าชายได้ คำว่า 2 ต่อ sure <organization> 2 อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อ 1 ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เรียนษาอยู่เป็นเพื่อน 2 ภิกษุณีผู้ไม่ประสงค์ สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องภิกษุณีโถลนันธาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น 2 ต่อ 2 กับชายใน ทรงภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างบรรดาภิกษุณี ภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ สงฆ์ภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างจริงหรือ มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส 2 ต่อ 2 กับชายหรือ เรื่องภิกษุณีทูลนันธาจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อ คนเข้า 3 แพร่งได้แก่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงทางแยกที่ชื่อว่า 2 ต่อ 2 คือชาย คำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่กันคือสนทนากันอยู่ในระยะช่วง เมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้น <emas> 1 ภิกษุณีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่ ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของเรื่องภิกษุณีรูปเป็นภิกษุณีประจําตระกูลหนึ่งรับภัตตาหารประจํานั้น ครั้นถึงแล้วนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านยิ่งรับ ต่อมาคนเหล่านั้นทําความสะอาดบ้านหลังนั้นพบอาสนะซ่อนอยู่ระหว่างภาชนะจึงขอขมาภิกษุณีนั้นแล้วได้เริ่มถวายภัตตาหารประจําครั้งนั้นภิกษุณีนั้นบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้ง ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้ นั่งบนอาสนะแล้วจากค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุ หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่ง 1 นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคํา คำว่าเข้าไปคือไปในตระกูลนั้นที่ชื่อ ติ๊กกะปาจจิติยังไม่ได้บอกภิกษุณี บอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีคือ 1 ภิกษุณีไป 2 ภิกษุณีผู้ 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี สิขาบบทที่ 5 จบ